ที่13แล้วนะสำหรับการสำรับงานลสังขานของหลวงพ่อซึ่เป็นที่เคารพรักของพวกเราทุกคนอย่างที่พวกเราก็คงจะสังเกตนะว่างานนี้นะแตกต่างจากงานศพ ท, ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นของพระหรือของขรรค์ญาติโยมเพราะว่า ไม่มีการสวดอภิธรรมอย่างที่เราคุ้นเคยที่จริงหลวงพอ่อก็ได้ระบกไปน้นะว่าสวดอภิธรรมแต่ว่าให้แปลด้วยหรือมิฉะนั้นะก็สวดทํามจักรกัปปัตตนสูตรแล้วก็ให้แปลด้วยเช่นกันเพื่อให้ทั้งผู้สวดแล้วก็ ยาตโยมได้เข้าใจความหมายของธรรมะขั้นสูงคุณพ่อท่านได้ระบุไว้ใ น, ในพินัยกรรมว่างานของท่านที่จัดให้ท่านเนี่ยก็ให้มีศาสนาพิธีแต่พอประมาณแต่ให้ใ น, นศาสนาธรรมให้มากๆนอกจากการสวดแปล กางที่เราได้ร่วมกันสาธยายมาสักครู่แล้วมีพิธีหลายพิธีที่ไม่ปรากฏในงานนี้นะเช่นการทอดผ้าของสุกุลนะหลายคนก็อาจสงสัยวา่าทำไมถึงไม่มีถ้าตอไม่ง่ายคือว่าหลวงพ่อไม่ได้ระบุเอาไว้แต่ถ้าจะอธิบายให้มากกว่านี้นะก็ต้องถามต่อไปว่า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 แต่ว่าหลวงพ่อของเรานะอาตมาเชื่อว่าท่านไม่ได้ต้องการบุญกุศลใดๆนะจากใครอีกแล้วนะเพราะว่าท่านก็เรียกว่าเบ้อบุญเบือบาปไปแล้วนะผู้ใหญ่คือว่าท่านนะไปดีแล้วไม่จาเป็นต้องมาใสายบุญเหรือนส่งไปดีแต่พวกเราท่านั้นแหละนะ ที่ยังต้องอาศัยบุญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทําบุญนะก็คือทําเพื่อตัวเราเองไม่ใช่ทําเพื่อหลวงพ่อนะหลวงพ่อท่านไม่มีความจาเป็นแล้วนะสำหรับบุญที่เราจะที่ให้ท่านถ้าจะทําบุญก็ทําเพื่อตัวเราเองและการทําบุญเพื่อตัวเราเองนั้นเนี่ยนะก็ทําได้หลายวิธี โดยไม่จำเป็นต้องถวายทานก็ได้เช่นการฟังธรรมการฟังธรรมนี่ก็เป็นบุญนะเรียกว่าธรรมะสาวนับใหม่บุญที่เกิดจากการฟังธรรมหรือว่าถ้าหลายท่านจะปฏิบัติ ด, ด้วยจัดเจริญภาวนาด้วยก็เป็นบุญเรียกว่าภาวนาใหม่คือบุญที่เกิดจากภาวนาจะไป็ข้าจาบุญจะต้องเกิดจากการให้ทานอย่างเดียว อันนั้นก็ได้บุญเหมือนกันเลยว่าทานนามัยแต่ว่าเป็นบุญชั้นต้นมีบุญที่ประเสริฐกว่านั้นประณีกว่านั้นเช่นภาวนาใหม่เพราะว่ามันเป็นการประธรรมที่สามารถจะพัฒนาจิตเปลี่ยนใจของเราได้จเจริญการจเจริญกรรมาฐานก็เป็นการทําบุญ ที่ชาวพุทธเรามักจะมองข้ามเราคิดแต่เรื่องการให้ทานและเราก็คิดว่ามีแต่การทำบุญด้วยการให้ทานเท่านั้นก็เลยเรียกติดปากว่าทำบุญให้ทานหรือว่าต้องเลี้ยงพระเราเรือกว่าทำบุญเลี้ยงพระแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันมีบุญที่สูงกว่านานประเสริฐกว่านั้นชักภ <c oughs> าวนาใหม่ หรือว่าการทําความเิใหตรงเยาว่าที่ถูกชุบ ก, กรรมซึ่งเป็นบุญประการที่10ประการสุดท้ายของบุญกิริยาวัตถุสิประการเราจะทําความให้ตรงได้อย่างไรนะก็จากการฟังธรรมจากการเสวน า, าสนทนาธรรมแล้วก็จากการประพปฏิบัติที่เรียกว่าภาวนาหรือแม้แต่กินแค่เรามา พิจารณานะจากสริระสังขารของหลวงพ่อแล้วเห็นถึงความไม่เที่ยงของสังขารย้อนมาที่ตัวเราว่าสักวันหนึ่งเราก็จะต้องจากไปสิ้นลมเหมือนกันถ้าเพียงแค่พิจารณาแบบนี้เราก็ได้เหดแล้ว น, นะเพราะว่ามันทำให้เราเกิดความไม่ประมาทในชีวิตมันทำให้เราเห็นถึงความเป็นอธิจัรย์ไม่จริของสังขาร ไม่ใช่แค่ความไม่จีรังสังขารของสังขารหลวงพ่อเท่านั้นแต่ว่ามันรวมถึงความไม่จีรังของสังขารที่เรียกว่าตัวเราด้วยพิจารณาเช่นนี้แล้วนะเราก็จะได้บุญเพราะว่ามันช่วยทําให้เราเกิดความไม่ประมาททาให้เราผลัดวายในการทําความดีทําให้เราใส่ใจในการที่จะพัฒนาฝึกฝนตน ยิ่งถ้าเราได้มาทราบว่าได้ร่วมรู้ว่าหลวงพ่อนั้นเนี่ยเมื่ อ, อยาที่ท่านป่วยนะท่านก็ป่วยแต่กายนะแต่ว่าใจท่านเป็นปกติและเพื่อท่านมร น, นับภาพสิ้นลมก็เป็นอาการจากไปอย่างสงบไม่ได้มีความทุรนทุรายอีนการ จากไปที่เราลดงานมากแม้ว่ารู้สึกย์ลูกหาจะเสียใจนะแต่ว่าก็ได้เห็นภาพที่ประทับใจอาจจะไม่ได้เห็นในตัวเองนะแต่ว่าได้สัตัปฟังรวมทั้งมีประจักษพยานอยู่อย่างเช่นข้อความที่หลวงพ่อได้เขียนไว้ก่อนที่จะสิ้งลงนลมไม่กี่นาทีนะเขียนว่าอย่างไรนะก็เขียนไว้เป็นลายมืออย่างที่เราเห็น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 มีคนจํานวนไม่น้อยที่เนี่ยที่ป่วยแล้วก็มีทุกขเวทนาปีกคั้นมากแล้วก็ขอให้ลูกหลานปลดสายปลดท่อเพราะว่าทุกทรมาร์ดเกินหรือบางคนก็อยากจะให้หมอเนี่ยช่วยจบชีวิตของตัวเองเพราะว่าทรมานมากจบชีวิตด้วยการฉีดยาหรือว่าทําให้ทําให้หลับไปเลยก็ได้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 ให้หลวงพ่อมีลมหายใจแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก้อนเนื้อเนี่ยมันก็อวงแล้วก็มันติดหลอดลมหรือว่าอุดท่อหายใจมากขึ้นทุกทีซึ่งไม่มีทางที่จะรักษาเยียวยาได้ที่ลูกศิษย์ลูกหาที่ดูแลก็พยายามที่จะทําทุกอย่างเท่าที่จะทําได้หลวงพ่อท่านคงเห็นว่าคงนึกเห็นใจพวกเรานะก็ ก็เลยบอกให้พวกเราเนี่ยอย่าให้พวกเราปล่อยวางก็เลยเขียนข้อความนี้ท่านทาที่ตอนนั้นท่านหายใจได้ลําบากมากแล้วท่านะนเขียนข้อความนี้เสร็จแล้วก็ท่านก็ประนมมือนะท่านยื่นให้กับผู้ดูแลนะัคืออาจารย์โนธแล้วท่านก็ประนมมือซึ่งท่านก็ทําเช่นนี้ทุกครั้งในเวลาที่รูกศิษย์ลูกหา การรักษาพยาบาลท่านอธิการทำอธิการกักท่านเป็นการแสดงความขอบคุณใครที่รู้จักหลวงพ่อคาเขียนนี้ก็จะรู้ว่าการประนมมือของท่านนี่ทำได้ง่ายมากทําโดยไม่มีอาการของความถือเนื้อถือตัวท่านเจอลูกศิษย์ลูกหาท่านก็ประนมมือไหว้ก่อนเลยลูกศิษย์ลูกหาหลายคนบอกว่าเนี่ยไหว้ไม่ทันท่าน ตั้งใจว่าจะไหว้ท่านแต่ท่านไหว้ก่อนท่านไม่มีความถือตัวในเรื่องนี้เลยแล้วก็เวลาลูกศิษย์ลูกหาดูแลท่านสมัทฐารท่านเสร็จท่านก็จะขอบคุณในการพนุและวันนั้นเวลานั้นท่านก็พนุเหมือนกันแต่ลูกศิษย์เข้าใจว่านี่เป็นธรรมดาของท่านที่จะมาขอบคุณแต่ที่จริงแล้วสารในยะ มีซ้อนขึ้นมาอีกก็คือว่าเป็นการอําลาปนมมือไม่ใช่แค่ขอบคุณนะแต่ว่าอําลาแล้วท่านก็หลับตาแล้วก็สิ้นลปหลังจากนั้นชั่วครู่ท่านถ้าเราได้เรียนรู้รับทราบถึงวินาทีที่ท่านราสังขารเนี่ยก็เชื่อว่าเราจะเกิด ว่าไม่เพียงประทับใจแต่จะรู้สึกว่านี่แหละคือทางที่เราควรจะเดินตามหลวงพ่อไปก็คือเมื่อยังมีลมหายใจยังมีชีวิตก็มีสติอยู่ด้วยความรู้สึกตัวอย่างที่หลวงพ่อสอนและเมื่อป่วยก็ป่วยแต่กายใจไม่ป่วย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 เราก็จกอยากทำให้ได้อย่างนั้นแน่นอนเราอาจจะทำไม่ได้อย่า ง, างท่านหรือว่าดีอย่างท่านแต่ว่าถ้าว่าเราอยากทำให้ใกล้เคียงที่สุดเป็นความตั้งใจนะที่จะเดินตามท่านไม่ใช่เรียนแบบท่านนะแต่ว่าเดินตามท่านด้วยการฝึกฝนะอย่างที่ท่านได้ครั้งสองและการเป็นแบบอย่างก็คือการมีสติความรู้สึกตัว ถ้าเราพิจารณาแบบนี้เราจะได้คุณได้กุศล ม, มากจากการมาที่นี่นนไม่ใช่เพียงแค่บัคคาร ว, วักศรีระของท่านแต่ว่ายังได้ธรรมะกลับไปเพื่อจะเป็นเครื่องนำทางในการดำเนินชีวิตทั้งในยามอยู่ยามป่วยและในยามที่ต้องลาจากโลกนี้ไป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 หลายคนอาจจะคาดหวังสิ่งที่มันหรือว่าพิศดาจากหลวงพ่อเวลานึกถึงหลวงพ่อในฐานะที่เป็นอาจารย์กรรมาฐานหลายคนก็นึกถึงหรือคาดหวังว่าท่านจะมีอิทธิปฏิหารท่านจะมี ความสามารถพิเศษทางจิตเช่นอภิญญาสามารถที่จะทายใจนั่งทางในหรือว่ามีความสามารถในการทำสิ่งที่เหนือมนุษย์ใครที่คาดหวังอย่างนี้จากหลงพ่อจะไม่มีวันเดกพบเพราะจริงแล้แท้จริงแล้วเนี่ยหลงพ่อท่าน ต้องเรียกว่าแม่ อ, อสิงนี่เลยที่ท่านแม่ออเนี่ยไม่ใช่เพราะท่านไม่รู้เรื่องพวกนี้หลวงพ่อพ ร, รู้เรื่องพวกนี้ดีเพราะว่าท่านเคยเป็นหมอธรรมก่อนที่จะมาบวชท่านเป็นหมอธรรมมาตั้งแต่อายุสิเจจนถึงจนทั้งายุสักอายุสามสิบปีเนี่ยท่านไม่ใช่เป็นแค่ชาวนาไม่ใช่ไม่ใช่แค่ช่างก่อสร้างแต่ว่าท่านยังเป็นหมอธรรม ท่านก็คลุกครีกับเรื่องศยศาสตร์เรื่องเวทมนต์เรื่องคาถารักษาคนเจ็บป่วยด้วยมนต์ด้วยคาถาหาของหายให้เจอนะด้วยกัร น, นั่งทางในเรื่องศยศาสตร์นะเรื่องคาถาอาคมเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยท่านเชี่ยวชาญชํนานาญมาตั้งแต่เป็นคารุขัดเป็นคารวา่า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 ไม่มีสเสน่ห์ไม่มีแรงดึงดูดกัแบบท่านต่อไปท่านวานหลวงพอเปรียจ ก, กรรมฐานที่เคยผ่านเรื่องเวทมนตรามาก่อนที่จะมาบวชที่บางคนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยตอนในคารวะก็อาจจะไม่ได้สนใจเรื่องนี้หรือว่าไม่มีความรู้ความมาบวชแล้วเนี่ยถึงค่อยมาเอาดีทางนี้เอาดีทางเวทมนตรา ทางสะดกดเพราะทางทำเครื่องรางของขรังแต่หลวงพ่อเนี่ยมาในทางตรงข้ามก็คือว่าเคยเชี่ยวชาญเคยจัดใจเรื่อง้นที่มาก่อนเสร็จแล้วแทงก็วางเพราะถ้ารู้ว่ามันไม่มีอะไรที่กระเสริฐที่รำมาจะว่าไปแล้วเนี่ยการที่เห็นธรรมรู้ธรรมเนี่ย มันเป็นปฏิหารยิ่งกว่าอิทธิปฏิหารปฏิหารในพุทธศาสนาเนี่ยมี3ามอย่างอย่างแรกคืออิทธิปฏิหารนะคือความสามารถที่ทําให้สำริดหรือว่าทำให้าสาเร็จผลไดอ้อิทธิปฏิหารนี่พวกเราก็รู้จักดีนะหลักการต่อมาอาเทศนาปฏิหารคือการสามารถในการถ่ายใจได้ แต่ประการที่สามจึงวิจารณ์สารเสลดีที่สุดประเสริฐที่สุดก็คืออนุสาสมีปฏิหารคือปฏิหารที่เกิดจากการเห็นธรรมเข้าใจธรรมเพราะว่าปฏิหารชนิดนี้นทําให้พ้นทุกข์ได้ทธ่ปฏิหารไม่ได้ทําให้พ้นทุกข์เลยอาจจะทําให้มีลาภสักการะเยอะแต่ก็ถ้าไม่มีธรรมะ ก, กํากับ อาจะหลงติดในลาภสักการะแม้จะดำดินบินบนหอหรือฤดากาได <c oughs> ้ก็ไม่สามารถจะเป็นกิสระเป็นไทยได้จากลาภสักการะกับดิ้นรนสแสวงหาผลควายเพื่อลาภสักการะอย่างที่เราได้เห็นนะจากเกจิอาจารย์หลายท่านจริงๆไม่ต้องดูอื่นไกลพระเทวทัตก็เป็นตัวอย่างของคนที่มี่ที่ปฏิหารเสร็จแล้วก็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 แม้กระทั่งน้องสาวคือนางพิมพาพิโสธราท่านหล่านี้เนี่ยบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หมดแต่ว่าพระเทวทัตุลงเอือด้วยการลงนรกนะเพราะว่าไปหลงติด ก, กับอิทธิปฏิฐานในขณะที่พระญาติคนอื่นหรือแม้กระทั่งคนใช้คืออุบาลีอนะุบาลีเนี่ยแต่ก่อนเป็นคนใช้เป็นช่างกระเบอแล้วเมื่อมาบวชพระก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ ถ้าเหล่านี้เนี่ยพ้นทุกข์ได้เพราะอนุสาสนิปฏิหารมันเป็นปฏิหารอย่างไรมันเป็นปฏิหารก็เพราะว่าแม้ว่าเจอความเจ็บความปวดเจอความพละดพลาสูญเสียเจอคำต่อว่าด่าทอดิพาว่ากล่าวจิตใจก็เป็นปกติได้แม้ความเจ็บปวดจะบีบคั้นให้กายเป็นทุกข์แต่ว่าใจไม่เป็นทุกข์ แม้เวลาที่ความตายจะมาถึงจิตใจก็ไม่หวั่นไหวนะความแก่ความเจ็บความป่วยแม้กระทั่งความตายก็ไม่สามารถทําให้ใจเป็นทุกข์ได้พี่นรรําซ้ำธรรมะที่เกิดจากอนุสาสรกย์ปฏิหารนั้นเนี่ยก็ยังสามารถที่ทําให้เอาชนะความแก่ความเจ็บความตายได้อิทธิปฏิหารเนี่ยไม่เคยช่วยให้เอาชนะหรือพ้นจาก ความแก่ความเจ็บความตายได้เลยที่จริงการที่หลวงพ่อนะได้รับสังขารด้วยด้วยอาการที่สงบนะอย่างเทตมาได้เล่าเนียมันเป็นปฏิหารได้นะมันเป็นปฏิหารได้นะเพราะว่าคนที่กาลังจะตายจากไฟแต่ว่าไม่มีอาการทุรนทุรายทั้งที่หายใจไม่นนค่อยออกนะสงบนิ่งได้ เสมอเลยว่าความตายทําอะไรไม่ได้อันนี้ถ้าเราไม่เรยกปฏิหารแล้วเราจะเรียกว่าอะไรแต่เป็นปฏิหารที่ดูเผลอๆก็ดูธรรมดาเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เหนือเหนือมนุษย์เป็นเหนือกับการอเอาะหนือเดินกาศการหายตัวอตมาเนี่ยอยู่กับหลวงพ่อคำเข็นมาสามสิบกว่าปีไม่เคยท่านไม่เคยเห็นท่านเนี่ย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 เป็นการแสดงภูมิจิตภูมิปัญญาหรือภูมิธรรมนะถ้าหากว่าเรารู้จักไตร่ตรวนพิจารณาหลวงพ่อท่านได้ประสบด้วยตัวเองนะว่าแน้กระทั่งแค่ความรู้สึกตัวอย่างเดียวนี่นะมันก็ช่วยได้เยอะยิ่งกว่าอิทธิปฏิหารคาถาคมหลวงพ่อท่านเล่าว่าสมัยที่ท่าน บวใหม่ๆมีครามนุ่งท่านก็ไปพักอยู่ในในป่าปายจักของเพืนะ่อนเขาจะเป็นที่วัปาป่าพุตรยามตอนนั้นท่านได้รู้ธรรมจากการปฏิบัติหลวงพ่อหลวพ่อเทียนแล้วนะแต่ว่ายังไม่ถึงที่สุดวันหนึ่งเนี่ยก็มีคนตาย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 ก็เห็นศพนี่นะขึ้นอื่นพอมันหลายวันแล้วเมื่อเอาศพเนี่ยจอดไปในหลุมหลวงพ่อบอกว่าขอฝาหลงเพราะว่าท่านจะไปทําเป็นเตียงที่จริงไม่ใช่เตียงทีแ่แคร์ขอฝาหลงเขาก็ให้ฝาหลงท่านท่านก็เอามาเอามาขัดเอามาถูพราะมันมี เหลืองนะมันมีกลิ่นแล้วก็ามาขัดมาถูมาแช่น้ำเป็นเดือนนะจนกระทั่งคิดว่าเออพอใช้ได้แล้วก็เอามาเอามาเอามานอนแต่ว่าป่าที่นั่นมันชื้นเพราะฉะนั้นพอชื้นเสร็จเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นกลิ่นมันโชยมาในการที่ท่านเนี่ยจำวัดแล้วพอได้กลิ่นทีไรเนี่ยนะท่านก็จะนึกเห็นหน้าของ เห็นหน้าของศพซึ่งดูน่ากลัวความกลัวเกิดขึ้นกับท่านแล้วพอท่านหลับไปท่านก็ฝันว่าฝันถึงศพของผู้ชายคนนั้นซึ่งเน่าเหม็นแล้วศพนั้นเนี่ยก็กลิ้งมาหาท่าน ก็กลิ้งมาท่านเนี่ยท่านทำยังไงท่านก็ท่องคาถาคมอันนี้ในฝันนะท่องคาถาคมพอท่องเสร็จสมนั้นก็กลิ้งกลับไปแต่พอท่องเสร็จมันก็กลิ้งเข้ามาหายท่านก็ท่องเพื่อให้สมนั้นเนี่ยกลิ้งออกไปเป็นเงี้ยสองสาครั้งเนี่ยความกลัวเกิดขึ้นนะแต่ว่าสักพักเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วท่านก็ สร้างจังหวะพอความรู้สึกตัวกลับมาเนี่ยนะไอ้ความกลัวไอ้กลิ่นเนี่ยมันหายไปอันท่านล่าเนี่ยเหมือนกับจะบอกเราว่าไอ้คาถาค้นเนี่ยนะมันช่วยไม่ได้เท่าไหร่มันช่วยได้เป็นครั้งเป็นคราวแต่สู้ความรู้สึกตัวไม่ได้ก็ใช่ว่าท่านตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยฝันร้ายมันหายไปปล่าความกลัวยังมีม แต่ว่าพอสร้างจังหวะเนี่ยความกลัวนก็ละลายหายไปเป็นอากาศสาัมถะแล้วท่าหมอก่าตั้งแต่นั้นเนี่ยไม่มีความกลัวเลยอันนี้คือช่วงที่ท่านตัว ใ, ใหม่นะพรรษาสองพรรษาแรกมันเป็นอุทาหรณ์ที่เหมือนกันจะบอกเราว่ายอย่าไปฝากความหวังไว้กับพวกคาถาคมเลยนะความสุ้ตัวเนี่ยมันกระเสริฐแล้วและความสุ้ตัวนี้ก็ทําให้ท่านเด่นพุทําขั้นสูงเพราะว่า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 สิ่งที่เห็นนั้นเนี่ยสิ่งที่ยึดถือนั้นเนี่ยมันเป็นแค่มายาภาพหลวงพ่อท่านบอกเสมอว่าเหมือนกับคนที่เคยแต่ก่อนเนี่ยดูคนเล่นมายากลมันก็หลงเชื่อนะในมายากล น, นั้นมายากลคนนั้นเนี่ยเอากระต่ายขึ้นมาจากดึงกระต่ายขึ้นมาจากกระเป๋าหรือว่าสามารถที่จะผ่าตัวให้แยกเป็นสองท่อนได้ หรือว่าทําอะไรให้มันหายได้คนก็เชื่อแต่ว่าพอมารู้เทคนิคของนักมายากล น, นั้นเลยเนี่ยมายากลคนนั้นหลองไม่ได้ต่อไปมันตืดชื่อไปหมดเลยไม่มีความตื่นเต้นแล้วการที่ท่านได้เห็นทำจนกระทั่งเห็นว่าสิ่งที่เรียกาเป็นตัวตนเป็นตัวกูเนี่ยมันก็เป็นแค่มายาภาพที่เกิดการปรุงแต่งขึ้นมาจิตปรุงแต่งขึ้นมา แล้วแท้จริงเนี่ยมันก็เป็นของรวมของปลอมท่านสามารถจะเข้าใจความจริงขั้นปรมัจิตได้แล้วก็มันก็วางนะมันไม่มีความตื่นเต้นกับอะไรต่อไปก็คือว่าเห็นอะไรเนี่ยนะมันก็วางได้แต่ก่อนเนี่ยอันที่หลวงพ่อเทียนานอธิบายว่าเหมือนกับว่าเวลาเห็นอะไรเนี่ยไม่ว่าทางกาขจมุมอย่างหรือทางทางกายและใจตาขจมุ่มยิงกาย ใ, ายใจ มันสอบคนทั่วไปเนี่ยมันเหมือนเหมือนกับดินเหนียวที่ขว้างไปที่ข้างขังข้วข้างฝาแล้วเนี่ยมันติกแต่ว่าพอปฏิบัติทรรมถึงที่สุดเนี่ ย, ยดินนั่นไม่ใช่ดินเหนียวแล้วนั่นมันเป็นดินธรรมดาขว้างไปเนี่ยมันก็ไม่ติดข้างฝาแล้วหรือถ้าเทียบพูดด้วยคำหมายของพระุทธเจา้าถือว่าเหมือนกับใบบัวที่น้ําเนี่ยฉาบไม่ติด น้ำมันตกลงมาน้ำฝนตกลง ม, มันก็ไม่ติดใบบัวไม่ติดกับบัวนะนี้คือสภาวะจิตจของผู้ที่ถึงธรรมยอย่างที่สุดเนี่ยกิเลสก็แตกเกินไม่ไดนะ้แล้วก็ไม่ติดในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอันนี้มันเป็นปฏิหาริย์เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์เกิดจากการที่ได้เข้าถึงธรรม หลวงพ่อท่านเมื่อได้เห็นธรรมรู้ธรรมเนี่ยท่านก็พยายามที่จะสอนผู้คนให้ได้เห็นอย่างท่านบ้างเพราะว่ามันจะช่วยทำให้คนถูกท่านก็ตามหลวงพ่อเทียนไปตามที่ต่างๆสุดแท้แต่หลวงพ่อเทียนจะจะขอหรือสั่งจากเมืองเลยไป ขอนแก่นวัดโมกแล้วก็จากขอนแก่นวัดโมกก็มาวัดชนบทาปีหนแล้วจากนั้นก็มาวัดสนามนายที่จริงหลวงพ่อเทียนท่านเจอวัดสวนแก้วก่อนนะแต่ว่าตอนหลังก็ให้อลุ่งพ่อพิยอมมาวัดสุนแก้วแล้วหลวงพ่อเทียนท่านก็มาที่วัดสนามนายแล้วก็ครเบริกหลวงพ่อคำเขียนก็อยู่ช่วยหลวงพ่อเทียน และท่านก็ประทับใจนะที่มีคนกลุ่มเนี่ยมาวัดมาปฏิบัติธรรมวัดสนามในปีหนึ่งแปดเนี่ยมันเป็นชนบทนะเคยไปวัสนามในเนี่ยตอนนั้นเนี่ยรถรถที่ใช้รถโดยสารเนี่ยมันคล้ายๆรถที่เราเห็นในหนังเรื่องคุีสารนะรถเรียกโคตทหรอดนะดรถคดทรอดเนยแบบนั้นเลย แต่ว่ามันมีแนวโน้มที่จะมีคนมีนักศึกษามาปฏิบัติธรรมที่ที่วัดสนามนายมากขึ้นหลวงพ่อเจนก็อยากจะตั้งใจจะปักหลักหรือพัฒนาวัดสนามในายให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับคนในเมือ ง, งก็หลวงพ่อเจนท่านมีแนวโน้มในทางที่จะเอาธรรมะไปให้คนในเมืองมากขึ้นเรื่อยๆนะจากวัดโม่ขอนแก่นมาวัดสนามนายเมืองนนท ซึ่งตอนนั้นมันก็อยู่ใกล้กับมันก็อยู่ใกล้กับสะพานสังคีจะหลวงพ่อคำเขียรเนี่ยแทนที่จะปักหลักที่วัดสนามในหรือไกลหน่อยก็วัดโมกขอดแก่นอย่างที่หลวงพ่อเทียนแนะนำท่านกับคิดไม่เหมือนคนอื่นท่านเลือกที่จะมาปักหลักที่นี่ บนหลังเขาคูโค้งซึ่งตอนนั้นเนี่ยธุรกันดารมากไม่มีถนนขึ้นมาจากแกล้งคอต้องปีนขึ้นเขาอัตมาจําได้ว่าตอนที่มาครั้งแรกปีสองสามเนี่ยแล้กะทั่งรถจากแกล้งครอมาตีนเขาเนี่ยรู้สึกจะมีเที่ยววัดเที่ยวเท่านั้นเองมีแค่วัดเที่ยวอะไรทำให้หลวงพ่อ เลือกที่จะมาปักหลัก บ, นะบนหลังเขาที่แสนจะไ ก, กลและทุรกันดารเข้าถึงได้ยากทั้งๆ ท, งที่ท่านก็มีที่ฐานที่จะไปแล้าครูบาอาจารย์ก็อยากจะให้ท่านให้อยู่ที่ด้านันนะก็คือแถวกรุงเทพหลวงพ่อคำเขียนจะบอกว่าการที่คนกรุงเทพเเข้าวัดเนี่ ย, นนยมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ท่านว่าคนดีนี่ไม่น่าบ่วว ไอสิ่งที่น่าห่วงคือคนที่ไม่เข้าวัดคนที่ไกลวัดแลวท่านเห็นว่าเนี่ยคนหลังเขาเนี่ยมันไกลวัดไกลวัดไกลธรรมะมีวัดเหมือนกันนะแต่ว่าพระนิพท่านก็ไม่ค่อยสนใจสอนท่านชอบเล่นบอาผมกาคำเขียนบอว่าตอนที่มาที่นี่ปี20เนี่ยตามคำนิมนต์ของญาติโยมเนี่ย วัดนี่นะมันเปลี่ยนโลกเลยนะเพราะว่าเจ้าวัดคนก่อนเนี่ยตัดต้นไม้เพื่อจะเล่นว่าวท่านต้องมาปลูกต้นไม้นะขึ้นมาถึงท่านมันเป็นป่าทุกวันนี้คนะื อ, อพระท่านก็ไม่ได้ทำหน้าที่ของท่านเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าคนคนหลังเขาเนี่ยไกลวัดไกลธรรมะหลวงพ่อเนี่ยเป็นนึกถึงคนเหล่านี้อยากจะมาช่วยสงเคราะห์คนชนบทนะที่ไกลธรรมะไอคนกรุงเทพเนี่ยนะ ใกล้ธรรมะแล้วเข้าวัดกันมาเป็นประจำท่านไม่เค่อยห่วงท่านห่วงคนในชนระเบิและนี่คือทำให้ท่านเนีมาเริ่มมาปักหลักที่นี่แต่ปักหลักของท่านก็ไม่แปลว่าท่านไม่ได้ลงไปลงไปช่วยหมู่นาะนะหลวงพ่อหลวพ่อคำเขียนที่ท่านเคารพหลวงพ่อเจียนมากและหลวงพ่อเจียนจาบอกใหยท่านทำอะไรเช่นไปสอนที่ไหนท่านก็ไปไปดึงหาดใหญ่ท่านก็ไป แต่ว่าพอเสร็จธุระแล้วท่านก็มาและการที่ท่านขึ้นมาบนหลังเขาเนี่ยหลวงพ่อเทียนไม่เห็นด้วยเลยนะหลวงพ่อเทียนบอกว่าท่านพูดหลายครั้งบอกว่าจะมาหลบอยู่ในป่าเหมือนลิงเหมือนข้างได้อย่างไรอยจะมาหลบอยู่ในป่าเหมือนลิงเหมือนข้างได้หลายคนธรรมะคนรู้ธรรมะก็ต้องไปสอนค น, นไม่ใช่มาสอนดึงสอนข้าท่านพูดใกล้ๆถึงนองนี้การหลวงพ่อคำเขียนนี่ท่านเป็นตัวของตัวองนะแม้ว่าท่านจะขอบรบดหลวงพ่อเทียนมาก ท่านเคารพมากแม้กระทั่งตอนท่ทานป่วยบันทึกคำขอท่านหลายตอนก็จะพูดถึงหลวงพ่อเทียนด้วยความเคารพด้วยความซาบซึ้งท่านเรียกตัวว่าลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนท่านบอกเนี่ยลูกศิษย์หลงพ่อเทียนมีธรรมตามพาไม่มีวันตายถ้าไม่ได้พูดถึงเฉพาะลูกศิษย์ทั่วไปแต่พูดถึงตัวท่านและท่านภูมิใจที่เป็นลูกศิษย์หลงพ่อเทนท่านเคารพหพ่อเทียนมากแต่ว่าในเรื่องบางเรื่องท่านเป็นตัวของตัวเอง แล้วท่านก็เริ่มที่จะมาขึ้นมาบนหลังเขาซึ่งตอนหลังเนี่ยนะมันก็เริ่มมีคนในเมืองในขึ้นมาเป็นเวลาหลายปีทีเดียวนะที่ผู้คนเนี่ยเวลามาที่วัดป่าสุภโตก็จะพูดคล้ายกันว่าทาไมตั้งวัดไก่เลเกินทำไมตั้งวัดไก่เหลือเกิน เหมือนก็บอกว่าอยากจะให้ตั้งใจใกล้ๆก ล, กล่เพราะว่ามาลำบากแต่เดี๋ยวนี้จะมาว่าคนไม่ค่อยบนกันแล้วมาว่าวัดสุปโตเป็นไกลและสิ่งที่หลายคนไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นก็คือว่าผู้คนก็ทยอยขึ้นมาปฏิบัติศึกษาธรรมที่วัดป่าสุปโตกันมากขึ้น อาตมาเชื่อว่าลูกศิษย์หลวงพ่อเทวีหลายคนเนี่ยคาดไม่ถึงนะว่าวัดป่าสุกตโตเนี่ยมันจะกลายเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่มีคนขึ้นมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเมื่อสามสิบสามสิบกว่าปีก่อนเนี่ยมันนึกภาพไม่ออกเลยว่ามันจะมีคนขึ้นมาได้อย่างไรไม่มีถนนต้องปีนเขาขึ้นมาแม้มีถนนแล้วเนี่ยจากแก้งคร้อขึ้นมาบนหลังมาถึงวัดป่าสุกตโตก็สองชั่วโมง 2ชั่วโมงนะรียะทาง30กิโลแต่หลวงพ่อท่านก็ยังยืนจยัดนะที่จะทำวัดป่าสุขโตให้เป็นให้เป็นวัดสาหรับการปฏิบัติธรรมอาจจะมาช่อเป็นเพราะว่าท่านมีสายตาที่ยาวไกลว่าสักวันหนึ่งเนี่ยคนกรุงเทพหรือคนในเมืองเนี่ยจะหนี้อนมาพึ่งจริง แล้วสิ่งที่ท่านและสิ่งที่หลายคนคิดว่ามันไม่น่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ก็เกิดขึน้นผู้คนก็หลั่งไหลกันมาโทษทุกสารถิศมาที่วัดป่าสุภโ ต, โตมาเพื่อปฏิบัติธรรมมาเพื่อพบกับความสงบเย็นในจิตใจแต่เพียงแค่ท่านรักษาป่าให้ร่มครึ้มเนี่ยแค่นี้ก็มีผู้อุปการเยอะแล้วก็หลายคนเนี่ยเวลามาที่วัดป่าสุภโตเวลามา มหาตมาที่สาราน้าเนี่ยเขาจะพูดคล้ายกันเลยว่ามันร่วงรืมม่นสงบ ม, มันเป็นความสุขที่เขาสัมผัสได้และหาจจะเป็นสิ่งที่เขาโหย ห, หาก็ได้หลายคนอาจจะไม่รู้ตัวต้องการความสงบรู้แต่ว่าบางอย่างขาดหายไปจากชีวิตแต่พอมาพระปาสกโตเพียงแค่ชั่วโมงแรกเนี่ยเขาก็รู้เลยว่าโอ้มันสงบ แล้วก็จะได้พบว่าออเนี่ยคือสิ่งที่เขาต้องการคือความสงกที่เรียกสงบกายก่อนแต่ต่อไปก็จะพบว่าสิ่งที่เขาขาดจริงๆและต้องการมากคือความสงกใจแต่สิ่งนี้เนี่ยคือสิ่งที่คนในเมืองขาแต่เ้าจะไม่รู้ด้วยซ้าว่านี่คือสิ่งที่ขาดแต่เขารู้ว่ามันมีบางอย่างที่ขาดหายไปจากชีวิตทําให้เขาไม่มีความสุขแล้วก็จะมีเงินแล้วก็จะมีทองแล้วจะมีความสำเร็จในกานการ จนกระทั่งเข้ามาถึงนี้ก็จะค่อยรู้ว่า อ, อ๋อเนี่ยนี่คือสิ่งที่เขาต้องการดังนั้นก็คือเหผลที่ทําให้หลายคนนี้ก็อย่างพวกเรานะก็เข้ามาสัมผัส น, นะทีแรกก็ความสมุงบของธรรมชาติต่อมาก็พบ ก, กับความสงบของธรรมอันนี้จะเรียกว่าเป็นการที่หลวงพ่อมีสายตาที่ยาวไกลก็ได้ ถึงแม้ว่าทีแรกเนี่ยท่านจะไม่ได้คิดถึงคนในเมืองมากเท่ากับคนชาวบ้านแถานี้นะเพราะว่าท่าน อ, าอยากจะช่วยสงเคราะห์เขาแต่ว่าทําไปทําไปนะอ น, นิสงส์แห่งธรรมะนะที่ท่านได้สอนได้แสดงก็แผ่ไม่ใช่แค่ชาวบ้านเท่านั้นที่ได้ประแต่ว่าคนในเมืองที่รุมร้อนกายรุมร้อนใจ ก็ได้ามาแสดงหาแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็ได้พบกับสิ่งที่ตนต้องการและสำหรับพวกเราที่ได้มาได้ประโยชน์จากการมาปฏิปททบัติธรรมที่ประกัสสุโกโตหรือว่ า, วากว้างกว่านั้นคือได้พบกับความสมมุบจากการได้ปฏิบัติธรรมตามที่หลวงพ่อได้สอนในชีนน้แนะ ก็เชื่อว่าพวกเราก็ผู้ที่โชคดีมากที่หลวงพ่อได้ทุ่มเททั้งแรงกายนะแล้วก็แรงใจสติปัญญาเนี่ยเพื่อให้เราได้รับประโยชน์ากว่าหลวงพ่อทําไมได้ทุ่มเทอย่างนี้เนี่ยเราก็อาจจะกายยังยังกันพวกที่เรากระเหิน ยังต้องแสวงหาต่อไปหรือแม้แต่ยังจบในความทุกข์เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากให้พวกเราได้ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่หลวงพ่อจะทุงมเจ ใ, ให้เกิดผลมากขึ้นถึงแม้ว่าหลวงพ่อจะละจากพวกเราไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่ท่านสอนเราหรือว่าสิ่งที่ท่านได้ทำไปแต่ละอย่างมั น, นยังอยู่ไม่ได้ไปไหน